จเจริญพรท่านผู้มีจิตศรัทธามีความเนื่อใสในพระพุทธศาสนาทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันที่หนึ่งพุทสภามพุทธศักราสนาราเป็นวันศุกร์วันหยุดราชการ วันยุดการทำงานของรัฐวิสาหกิจราชการไม่หยุดเป็นวันแรงงานแห่งชาติแรงงานนี้ก็คือกรรมนั่นเองาภาษาพระเราเรียกว่าแรงงานว่ากรรมกรรมคือการกระทำหรือการใช้แรงงาน การใช้แรงงานนี้ก็ใช้อยู่สามทางด้วยกันทางกายเรียกว่ากายกรรมทางวาจาเรียกว่าวาจีกรรมและาทางใจเรียกว่ามโนกรรมการกระทำสามทางนี้ก็สามารถทำให้เราสุขให้เราเจริญ หรือสามารถทำให้เราทุกข์ทำให้เราเดือดร้อนได้อยู่ที่การกระทำของเราว่าจะทำไปทางไหนทำไปทางที่ดีก็เกิดคุณเกิดประโยชน์ทำไปในทางที่ไม่ดีก็เกิดโทษเช่นคนที่คิดเก่งมีความรู้มาก ก็ไปเป็นอาจารย์ไปเป็นครูไปเป็นศาสดาอาจารย์ไปเป็นผู้ที่สามารถเผยแผ่ความรู้ให้แก่ผู้อื่นด้วยการใช้ความคิดอย่างนี้เรียกว่าคิดดีคิดด้วยวิชาความรู้ถ้าคิดด้วยธรรมะก็ได้เป็นศศ า, าสดาเช่นพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าทรงคิดดีคิดเห็นคิดว่าทุกข์นั้นเกิดจากความอยากคิดว่าการจะดับความทุกข์ได้ก็ต้องละความอยากการจะละความอยากได้ก็ต้องละความหลงเพราะความหลงหลอกให้อยากได้สิ่งต่างๆที่ไม่ใช่เป็นสุขสิ่งต่างๆที่ พวกเราอยากได้นี้เป็นทุกข์ทั้งนั้นแต่เรามองไม่เห็นเพราะถูกความหลงหลอกอยู่มีพระพุทธเจ้าเป็นคนที่ฉลาดสามารถที่จะรู้ทันความหลงได้หลอกให้อยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้พระพุทธเจ้าก็บอกว่าได้มาแล้วมันทุกข์ไม่ใช่ได้มาแล้วมันสุข เวลาได้มาก็ต้องทุกกับการดูแลรักษาเวลามันจากไปก็ต้องทุกกับการพัดพ่างจากกัน<ม>เช่นได้ลูกมานี่ก็ต้องมาเลี้ยงดูก็ต้องทุกกับการเลี้ยงดูตอนคลอดมาใหม่ๆเดึกๆเดิน ๆ, ๆ, ๆก็ร้องขึ้นมาปวดปัสสาวะ<ม>หิวน้ำหิวนมพ่อแม่จะนอนหลับให้สนิทก็นอนไม่สนิท เดี๋ยวลูกก็ร้องเรียกขอนน่นขอนี่นี่ก็คือความทุกข์แล้วทุกข์ที่ได้จากการมีลูกคนที่ไม่มีลูกก็นอนสบายไม่มีใครมาคอยปลุกคอยร้องคอยเรียกให้ช่วยเหลือด้วยการกระทำต่างๆนี่คือความทุกข์ที่เกิดจากการได้สิ่งที่เราคิดว่าเป็นความสุข คนที่อยากจะมีลูกนี่ก็คิดว่ามีลูกแล้วจะมีความสุขมีคนคอยมาเป็นเพื่อนต่อไปเวลาแก่ก็จะมาเลี้ยงดูเรามารับทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองของเราไปแต่เวลาจากกันก็ต้องร้องห่มร้องไห้เสีย อ, อกเสียใจยิ่งถ้าตาจากกันก่อน ฉนลูกตายไปก่อนพ่อก่อนแม่จะตายเวลานั้นความสุขที่ได้จากลูกๆ ก, ก็จะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมานี่คือความทุกข์ที่เราเห็นว่าเป็นความสุขเพราะเราไม่มีปัญญาความคิดที่ฉลาดนั่นเองไม่มีแรงงานทางใจแรงงานทางความคิดที่จะคิดไปในทางที่ ถูกต้องตามความเป็นจริงเรามักจะเห็นสิ่งที่ทุกข์ว่าเป็นสุขเพราะเราไม่เห็นว่าสิ่งที่จะให้ความสุขกับเรานี้มันไม่เที่ยงแท้แน่นอนมันไม่ถาวรมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้คนที่ให้ความสุขกับเราก็กลับมาให้ความทุกข์กับเราได้เช่นเขามาดาเรามาว่าเรา เราก็ทุกข์แล้วก่อนหน้านั้นเขามีแต่ชมเราพูดดีกับเราเอาอกเอาใจเราเราก็ได้ความสุขจากเขาพอเขาเปลี่ยนไปเขาไม่อยากจะพูดดีเขาอยากจะด่าเราว่าเราเราก็จะต้องทุกข์นี่คือเราไม่เห็นกันเวลาอยากได้ใครมา เป็นแฟนเป็นสามีเป็นภรรยาก็คิดว่าเขาจะดีกับเราไปอย่างเดียวไม่รู้ว่าวันดีคืนดีอารมณ์เขาเสียอารมณ์เขาไม่ดีหรือเราไปพูดไปทำอะไรขัดใจเขาก็เหมือนกับเหยียบหางสุนัขโดยไม่ตั้งใจพอเหยียบหางสุนัขเข้าสุนัขมันก็จะกัดเราทันที เพราะเป็นสัญชาติยานของสัตว์ที่เวลามันเจ็บมันก็จะต้องป้องกันตัวคนที่อารมณ์ไม่ดีหรือเราไปทําให้เขาเกิดอารมณ์ไม่ดีขึ้นมาเขาก็จะกลับมากัดเราต่อให้รักกันขนาดไหนก็ตามพอเกิดอารมณ์โกรธขึ้นมาแล้วความรักที่เคยมีให้ต่อกันนี่มันหายไปหมด นี่เรียกว่าไม่เทียมไม่มีอะไรแน่นอนรักกันวันนี้ก็เกลียดกันวันหน้าได้เกลียดกันวันนี้ก็รักกันวันหน้าได้ดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เราคิดให้ถูกคิดให้เป็นอย่าไปคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้จะให้ความสุขกับเราเพียงอย่างเดียวทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องให้ความทุกข์กับเรา เพราะเขาจะต้องมีการเปลี่ยนไปเขาจะต้องมีการดับไปมีการพัดภาคจากกันไปในที่สุดนี่คือวิธีคิดดีถ้าคิดอย่างนี้ได้ก็เป็นพระอาหารหันต์ได้เป็นพระพุทธเจ้าได้เป็นศาสดาของโลกได้นี่คือผลของการคิดดีผลคิดไม่ดี คิดว่าทุกอย่างให้ความสุขกับเราทุกอย่างเที่ยงแท้แน่นอนทุกอย่างเป็นของเราพอได้มาแล้วมันไม่ได้เป็นไปตามที่เราคิดแล้วก็จะมีแต่ความทุกข์มีแต่ความเสีย อ, อกเสียใจนี่คือเรื่องของการคิดดีหรือคิดไม่ดี การพูดดีหรือพูดไม่ดีก็มีผลกับการกระทำของเรากับการกับความสุขความทุกข์ของเราเวลาเราพูดดีคนเขาได้ยินเขาก็ชอบเราเชื่อเราเวลาที่เราพูดไม่ดีเขาก็โกรธเราเกลียดเราถ้าเราอยากจะให้คนเขารักเราชอบเราให้ความสุขกับเรา เราก็ต้องคิดดีหรือร้องดีก็ได้คนที่ร้องเพลงเก่งๆก็มีแฟนเยอะมีคนรักคนชอบมีรายได้ดีนี่สาเหตุของการใช้ปากในไปในทางที่ดีถ้าใช้ปากไปในทางที่ดีทางไม่ดีเดี๋ยวก็ไปติดทุกติดตารางได้ไปด่าว่าคนนั้นคนนี้ไปหมิ่นประมาท เดี๋ยวก็ถูกจับฟ้องขึ้นศาลถูกจับลงโทษเสียค่าปรับจับไปติดคุกติดตรางเพราะการใช้แรงงานทางวาจาใช้ไม่เป็นนั่นเองแทนที่จะเอามาใช้ให้เกิดคุณเกิดประโยชน์กลับไปใช้ในทางที่ไม่เกิดคุณเกิดประโยชน์ทางที่ใช้แล้วไม่เกิดคุณเกิดประโยชน์นี้ ก็มีอยู่4ี่ลักษณะด้วยกันคือ1การพูดปลดไม่พูดความจริงพูดไปแล้วจะมีผลเสียหายกลับมา2การพูดคำหยาบพูดไปแล้วไม่เกิดประโยชน์คนฟังแล้วจะรังเกียจคนที่พูดคำหยาบนี้เขาถือว่าเป็นคนที่ไม่ได้รับการพัฒนาเป็นคนหยาบ เป็นเหมือนเดรัจฉานแล้วก็พูดคำเพ้อเจ้อคือคำพูดที่ไม่มีสาระประโยชน์ฟังแล้วไม่ได้ประโยชน์อะไรจากการพูดคนที่พูดเพ้อเจ้อคนที่พูดไม่มีสาระมักจะไม่ค่อยมีคนชอบฟังกันฟังไปแล้วเสียเวลาแล้วก็ที่สี่ คือการพูดที่จะยุยงให้เกิดความแตกแยกสามัคคีกันการกับพูดพูดแบบนี้ไม่ดีพูดไปยุให้คนเขาแตกแยกกันเช่นประยุตให้สามีภรรยาโกรธกันเกลียดกันด้วยการพูดความจริงบ้างไม่พูดความจริงบ้างถึงแม้ว่าจะเป็นความจริงถ้าพูดไปแล้วทําให้สามีภรรยาเขาโกรธกันเกลียดกัน ก็ไม่ควรจะพูดเช่นไปบอกสามีว่าเห็นภรรยาไปเดินเที่ยวกับผู้ชายคนหนึ่งหรือไปบอกภรรยาว่าเห็นสามีไปเดินเที่ยวกับผู้หญิงคนหนึ่งทั้งๆ ท, ที่เราก็ไม่รู้ว่าเขาไปทำอะไรกันหรือเปล่าแล้วพูดไปแล้วแทนที่จะทําให้เขารักกันก็ไปทาให้เขามีความระแวงมีความ ไม่ชอบกันขึ้นมาได้ดังนั้นถึงแม้จะเป็นความจริงแต่ถ้าพูดไปแล้วทำให้เขาเดือดร้อนก็อย่าไปพูดดีกว่าถึงแม้ว่าการกระทาของเขาจะดีไม่ดีมันก็เป็นเรื่องของเขาเราไม่ควรที่จะไปยุยงส่งเสริมให้เขารู้ขึ้นมาด้วยตัวเขาเองดีกว่า ถ้าแฟนของเขาภรรยาหรือสามีของเขาไปมีแฟนที่ไหนก็ปล่อยให้เขารู้ของเขาเองเราไม่ต้องไปไรายงานไม่ต้องไปแจ้งให้เขาทราบไม่เกิดประโยชน์อะไรมีแต่จะเกิดโทษและเราก็จะกลายเป็นคนที่เขาไม่ชอบที่หน้าเราถ้าเกิดมันไม่เป็นความจริงเราไปพูด อย่างนี้ก็จะทาให้เขาไม่รู้ว่าเราเป็นคนพูดไม่ดีแล้วก็จะไม่อยากจะคบค้าสมาคมกับเรานี่คือคําพูดที่ไม่ดีการใช้แรงงานทางวาจาที่ไม่ดีที่ทำให้เกิดโทษขึ้นมาที่เราควรที่จะละกันอย่ากระทำกันอย่าพูดปดอย่าพูดคำหยาบ อย่าพูดเพ้อเจ้ออย่าพูดยุยงให้เกิดความโกรธเกลียดกันแตกแยกสามัคคีกันแล้วการพูดที่จะทำให้ได้ความสุขความเจริญก็มีอยู่เหมือนกันเช่กนการพูดความจริงความจริงนี้เป็นสิ่งที่เราพูดได้แต่ก็ต้องดูการละเทศะว่า ผู้ฟังสามารถรับความจริงที่เราพูดได้หรือไม่ถ้าพูดไปแล้วทำให้เขาวุ่นวายใจเดือดร้อนใจก็อย่าพึ่งไปพูดเก็บไว้ก่อนไม่ต้องพูดก็ได้แต่อย่าไปโกหกก็แล้วกันแล้วก็ให้พูดคาสุภาพคามสุภาพนี้เป็นคำของคนที่มีการพัฒนา คนที่จะพูดคำสุภาพได้ต้องเป็นคนที่มีสติสตังเพราะถ้าไม่มีสติส ต, สตังแล้วจะไม่สามารถที่จะกันกรองคำพูดที่ดีที่สุภาพออกมาได้คนที่พูดคำหยาบนี้มักจะเป็นคนที่ไม่มีสติเช่นคนที่ดื่มสุรายาเมาเกิดอาการมึนเมาขึ้นมาจะไม่มีสติยับยัง้ง ความคิดที่ไม่ดีต่างๆได้คาเช่นคําหยาบเป็นตน้นอย่างนั้นถ้าเราอยากจะเป็นคนที่พัฒนาเป็นคนที่เจริญเป็นคนที่พูดสามารถที่จะให้ความเคารพ ก, กับเราได้เราต้องพูดวาจาที่สุภาพพูดคาที่ไม่ใช่คำหยาบนั่นเอง แล้วก็สองสอให้พูดคำพูดที่เกิดคุณเกิดประโยชน์เช่นพูดเกี่ยวกับวิชาความรู้ต่างๆจะเป็นวิชาความรู้ทางโลกก็ได้จะเป็นวิชาทางรู้ทางธรรมก็ได้เพราะการพูดความรู้เหล่านี้ทำให้ผู้ได้ยินได้ฟังนั้นได้ไประโยชน์สามารถเอาไปทําประโยชน์สร้างความสุข สร้างความจเจริญให้กับผู้ฟังได้เช่นเราไปโรงเรียนเราก็ไปฟังคําพูดที่ดีคําพูดที่มีคุณมีประโยชน์จากครูจากอาจารย์ต่างๆครูอาจารย์ก็จะพูดเรื่องวิธีอา่านหนังสือวิธีคิดเลขวิธีทําอะไรต่างๆนี่คือคําพูดที่มีคุณมีประโยชน์ ถ้ามาวัดมาฟังเทศฟังธรรมก็จะได้ยินเรื่องที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนแล้วเรื่องที่เราได้ยินได้ฟังเราก็จะได้ความเข้าใจที่ดีขึ้นไปเช่นวันนี้เรามาฟังเรื่องของคําว่ากรรมกรรมแปลว่าแรงงานคือการกะระทําการกระทําก็มีอยู่สามทาง ทางกายทางวาจาและทางใจการกระทำนี้ทำไปก็มีคุณและมีโทษถ้าทำไปในทางดีก็เกิดคุณเกิดประโยชน์ถ้าทำไปในทางที่ไม่ดีก็เกิดโทษเช่นถ้าไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตก็จะเกิดโทษไปรักทรัพย์ไปประพฤติผิดประเวณีไปเสพสุรายาวเมา นี่คือการกระทำทางกายทำไปแล้วจะทำให้มีโทษตามมาเวลาไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตถ้าผิดกฎหมายก็ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับตัวไปลงโทษถ้าไม่ผิดกฎหมายเช่นไปยิงนกตกปลาตายไปก็ต้องไปเกิดเป็นเดรัจฉานไปใช้หนี้ไปเกิดเป็นนกเป็นปลา ให้เข้ามาตกให้เขามายิง น, นี่เป็นผลของการกระทำไม่ดีที่เรามองไม่เห็นกันเพราะว่าเราไม่รู้ว่าใครเป็นผู้ไปรับผลของการกระทำที่ไม่ดีนี้เราเห็นร่างกายนี้ว่าตายไปแล้วก็กลายเป็นที่เท่าไปแล้วใครจะไปเป็นผู้รับผลใครจะไปเกิด ผู้ที่ไปเกิดก็คือผู้คิดนี้เองผู้รู้ผู้คิดนี่เรียกว่าใจผู้รู้ผู้คิดนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายผู้รู้ผู้คิดนี้แหละเป็นผู้สั่งให้ร่างกายทําบาทํากรรมเช่นสั่งให้ไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไปยิงนกตกปลาพอร่างกายนี้ทําไปตามคำสั่ง ผู้คิดนี้ก็เป็นผู้ที่สร้างเวรสร้างกรรมขึ้นมาแล้วพอเวลาร่างกายนี่ตายไปผู้รู้ผู้คิดนี้ก็จะไปเป็นผู้ไปรับผลบาปที่ได้ทาผ่านทางร่างกายไปเกิดเป็นนกไปเกิดเป็นปลาให้เขามามายิงมาตกนี่เป็นเรื่องของกฎแห่งกรรมทำสิ่งใดไว้ ก็จะได้สิ่ง น, นั้นกลับคืนมาให้ความทุกข์แก่ผู้อื่นความทุกข์นั้นก็จะกลับคืนมาให้ความสุขแก่ผู้อื่นความสุขนั้นก็จะกลับคืนมาการทำบาปนี้จะให้ความทุกข์กลับคืนมาการทำบุญจะให้ความสุขกลับคืนมาเช่นวันนี้ญาติโยมมาทำบุญเอากับข้าวกับปลาอาหารของขาวของหวาน มาถวายพระต่อไปก็จะมีคนเอากับข้าวกับปลาของข่าวของหวานของใช้ไม้สวอยต่างๆมาให้เราเราให้อะไรไปของเหล่านั้นก็จะกลับมาหาเราอาจจะไม่ใช่ชาตินี้ก็ได้แต่ต้องมีวาละใดวาละหนึ่งเช่นไปเกิดเป็นชาติหน้าไปเกิดเป็นพระเข้า ก็มีคนเอากับข้าวกับปลามาถวายให้ดังนั้นขอให้เราเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วพยายามทําความดีกันทําความดีสามทางทางกายทางวาจาและทางใจทางใจก็คิดดีคิดดีคิดเพื่อให้ละความโลภทางโกรกความหลงให้คิดว่าทุกอย่างในโลกนี้เป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุข ถ้าเราเห็นว่าเป็นทุกข์เราจะได้ไม่อยากได้เมื่อเราไม่อยากได้เราก็ไม่ต้องไปหามาถ้าเราคิดว่าเป็นสุขเราก็อยากได้เราก็จะไปหามาแล้วถ้าเราไม่สามารถหามาโดยวิธีที่ไม่ทำบาปเราก็จะไปทำบาป ก, กันเช่นอยากได้เงินทองแต่ไม่มีความสามารถที่จะไปทำงานทำการได้ตกงาน ไปสมัครงานก็ไม่มีใครรับอยากได้เงินก็ต้องไปรักขโมยแต่ถ้าไม่อยากได้เงินก็ไม่ต้องไปรักขโมยเช่นคิดว่าการมีเงินทองนี้เป็นทุกข์เพราะต้องมีอยู่เรื่อยๆต้องหามาอยู่เรื่อยๆเวลาใดขาดเงินขาดทองขึ้นมาก็จะทุกข์ขึ้นมาอย่างนั้นไปบวช ด, ดีกว่าไปบวชแล้วไม่ต้องใช้เงินใช้ทอง ก็ไม่ต้องไปรักขโม น, นี่คือความคิดที่ดีคิดตัดความอยากต่างๆออกไปให้หมดเพราะความอยากนี่แหละเป็นตัวที่จะผลักดันให้เราไปพูดไปกระทำอะไรต่างๆซึ่งอาจจะดีก็ได้ไ ม, ไม่ดีก็ได้แล้วแต่ว่าความสามารถของเราจะหาสิ่งที่เราอยากได้หรือไม่ด้วยวิธีใด ถ้าเราสามารถหาสิ่งที่เราอยากได้โดยการกระทําที่สุเจริญก็รอดตัวไปปลอดภัยไปอย่างญาติโยอยากได้เงินทองก็ไปทางานทำการที่ไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลธรรมก็ได้เงินได้ทองมาอย่างนี้ก็รอดตัวไปคือไม่ได้ไปทำบาปแต่ถ้าไม่สามารถที่จะหาเงินทองได้ ด้วยวิธีสุจริญก็ต้องไปทําบาปไปทำอาชีพที่ไม่ดีก็ได้เช่นไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตหรือไปลักทรัพย์พอไปทําอย่างนี้เข้าก็มีบาปติดตัวไปถ้าไม่มีความอยากได้เงินทองก็ไม่ต้องไปทําบาปเช่นคนที่มาบวชนี่เขาไม่อยากได้เงินทองเขาอยากจะอยู่แบบไม่ต้องใช้เงินทอง เพาเขาเห็นว่าเงินทองนี้มันเป็นโทษมันไม่ใช่เป็นคุณเพราะว่าถ้ามีเงินทองใช้เงินทองแล้วก็ต้องหามาอยู่เรื่อยๆแล้วถ้าหาไม่พอใช้ก็อาจจะต้องไปทำบาปได้เพื่อที่จะได้เงินทองให้พอใช้คนที่คิดอย่างนี้เรียกว่าคิด<ม>คิดดีคิด ไปตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าสอนให้คิดแล้วก็จะได้ทาเหมือนกับพระพุทธเจ้าสอนให้ทํานละได้กระทาแล้วคือพระพุทธเจ้าก็เห็นว่าเงินทองมันไม่ดีพระพุทธเจ้าก็เลยส ล, ละราชสมบัติไปแล้วก็ไปบวชเป็นพระเป็นอยู่แบบพระไม่ต้องใช้เงินใช้ทองแล้วก็ต่อสู้กับความอยากที่จะคอยผลักดันให้ไปกระทา การกระทำต่างๆที่ไม่ดีแล้วในที่สุดก็สามารถหยุดความอยากต่างๆจนหมดไปจากใจได้พอไม่มีความอยากแล้วก็อยู่อย่างสบายเพราะความอยากนี้ก็เป็นเหมือนกับเจ้านายของเราเนี่เวลาเจ้านายสั่งให้ไปเอาไว้นู่นมาเอาไว้นี่มาเราก็อยู่เฉยๆไม่ได้แล้ว พออยู่เฉยๆเจ้านายก็เคี่ยนตีเราทำให้เราเกิดความหงุดหงิดลำคาญใจขึ้นมาสังเกต ด, ดูเวลาเรามีความอยากแล้วเราไม่ได้ทำตามความอยากนี้ใจจะวุ่นวายใจจะหงุดหงิดแต่พอได้ทำตามความอยากแล้วความหงุดหงิดก็หายไปคนเราจึงอยู่เฉยๆไม่ได้อยู่ไม่เป็นสุข ก็จะมีความอยากคอยมาสั่งให้ไปทำนู่นทำนี่ให้ไปดูไปฟังไปดื่มไปรับอธิานอะไรอยู่เรื่อยๆเวลาใดที่ไม่ได้ทำเวลานั้นก็หุดหงิดลำคาญใจอารมณ์ไม่ดีเวลาใครพูดอะไรอยู่ใกล้เดี๋ยวก็จะโดนโดนว่าโดนดา่าเพราะว่าอารมณ์ไม่ดีแต่พอได้ทำตามความอยากแล้วอารมณ์ไม่ดีก็หายไป แต่หาให้ไปไม่นานเดี๋ยวความอยากใหม่ก็โผล่ขึ้นมาอีกพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เราหยุดความอยากกันอย่าไปทำตามความอยากเพราะหยุดได้แล้วเราจะได้อยู่เป็นสุขไม่ต้องทำอะไรก็มีความสุขสุขยิ่งกว่าคนที่มีเงินร้อยล้านพันล้านสุขยิ่งกว่าคนที่มีสามีภรรยาเป็นสิบเป็นร้อยนี่คือความสุขที่แท้จริง กิจากการหยุดความอยากต่างๆเราจึงต้องคิดแบบพระพุทธเจ้าเรามาคิดหยุดความอยากกันถ้าเราหยุดความอยากได้แล้วเราจะได้มีความสุขเหมือนกับพระพุทธเจ้ามีความสุขแล้วเราก็จะได้ไม่ต้องกลับมาเกิดแก่จ็บตายอยีกต่อไปเพราะการมาเกิดนี้ก็เพราะความอยากพาให้เรามาเกิดนั่นเอง ยังอยากได้คนนั้นคนนี้เป็นแฟนยังอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นสมบัติยังอยากดูอยากฟังอยู่จึงต้องกลับมาเกิดต้องมีร่างกายเป็นเครื่องมือแต่ถ้าไม่มีความอยากแล้วก็ไม่ต้องกลับมาเกิดอยู่บนสวรรค์ชั้นนิพานไปตลอดไม่ต้องกลับมาทุกข์กับการเกิดแก่เจ็บตายนี่คือผลที่เราจะได้รับ ถ้าเราคิดแบบพระพุทธเจ้าคิดแล้วพูดแล้วทำแบบพระพุทธเจ้าพูดเราก็จะได้ผลแบบที่พระพุทธเจ้าได้รับคือความสุขไปตลอดไม่มีความทุกข์ไม่มีความวุ่นวายใจอยู่ในใจเลยนี่คือเรื่องของการใช้แรงงานไปในทางที่ดีที่เกิดคุณเกิดประโยชน์คือคิดดีพูดดีทำดี คิดดีด้วยการคิดไม่ทาความไม่คิดคือไม่ทําตามความอยากให้คิดอย่างนี้ต่อไปนี้มีความอยากต้องฝืนมันอยากไปทํามันถ้าการกระทาความอยากนั้นไม่ได้ทําให้เราต้องตายไปคือถ้าเราไม่ได้ทําตามความอยากแล้วทําให้เราตายไปเราก็ต้องทําเช่นถึงเวลาต้องกินข้าวก็ต้องกินถึงเวลาต้องเดินน้ำก็ต้องเดิน เพราะถ้าไม่ดืนะ่มน้าไม่กินข้าวร่างกายก็ตายได้แต่เวลาอยากไปเที่ยวนี้ไม่ไปเที่ยวก็ไม่ตายก็ไม่ต้องไปทำมันหยุดความอยากที่ไม่จำเป็นทาแต่ความอยากที่จาเป็นเท่านั้นแล้วเราก็จะได้ทำลายความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจแล้วเราจะไม่มีความทุกข์หลงเหลืออยู่ภายในใจเราอีกต่อไป จึงขอฝากเรื่องของการมาทำบุญในวันแรงงานนี้ให้ท่านได้นำเอาธรรมะที่ได้ยินได้ฟังไปพิจิตพิจารณาและไปปฏิบัติเพื่อความสุขและความเจริญที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนาตรายัย แลงบุญกุศลที่ท่านได้มามำเพนกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแล่ความสุขและความเจริญด้วยอายุวันณะสุขภาระโดยทั่วหน้ากัาเทอ